นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยงมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสาระกราบข อ, ขอความเคารพแด่หลว <c oughs> งพ่อผู้เป็นประธานในการจัดพาปฏิบัติธรรมโดยความเคารพแล้วก็คณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม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 ตอนนี้อาตมาบวชมานี่ก็บวชตามประเพณีก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าบวชอยู่วัดบ้านวัดบ้านก็คือวัดบ้านนั่นแหละก็พระอยู่ก็พระเขาก็อายุน้อยแล้วก็ก็คือบวชอยู่วัดบ้านธรรมดาอนี่ยอาตมาเป็นคนแบบแต่กวนมันเป็นคนปกติก็คนชอบทำงานทา ม, มาทำอะไรไปอยู่วัดไม่มีอะไรทำใช่ไหมเออมาอยู่ทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรแต่ละวันพระก็ไม่ได้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 มานี่มานี่อันนะวพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อก้มอันน่ะมานี้มานี่้อันน่นนนพะพระพูดไดพระไม่อันว่าแล้วก็ไปอยากบินธบาติทางบ้านนอกเขาจะมีบินธบาติเข้ามาเขาสารอาหารแห้งเข้ามาช่วยเจือจุนในงานไั่ปลากระป๋องมามากปลากระป๋องน้ำปลาหอมกระเทียมมาช่วยกันระดมในการทํางานเพราะว่าปัจจัยไม่ค่อยมี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 ตามมานอกอนพาเดินหกจังหวัดังวันหนึ่งกว่าจังเนาะดีดีไม่ดีได้ได้ความสงบได้สมาธิวันวันจุดๆเริ่มไปทุกอย่างแล่ะแต่ว่านี่เป็นคนชอบแบบยังไง่ะมันชอบแบบต้องเป็นท้าทายสักหน่อยหนึ่งอะนะตามเอ้าทุดงทุดันก่อไปกับเขาดันไป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 มีบางครั้มานเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตเองเข้าใจธรรมะเนี่ยก็โดวงที่เจ้านายบังคับมานะมาเดินเดินเดิน่นาลู ก, ก็ให้กูมาทําไมวะลูกกูก็ยังเล็กอยู่ว่าบ่นเลยนะทำาำไปโอ้ยเราพยายามปลอบใจนะโยมเอ้ยเขาจะเสียทั้งเงินทั้งรถทั้งอะไรมาให้เรานะ่ะค่าเงินเดือนก็ได้มาทําก็ได้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 นี่คือมันก็ค่อยๆเผยแผ่ไปมันใช่มันจะได้เยอะนะแบบมันก็ค่อยๆซึมค่อยไปได้คนระดับปัญญาชนของเขาไปแล้วก็ได้ไปสอนต่อตอนนี้เขาว่าอยู่ทางเอเมริกาเนี่ทางบ้านเขน จ, จะตั้งเป็นอะไรเก็จะสอนระบบมหาสติปัฏฐานมหาเรื่อพวนี้เขาตั้งเขามันระบบมหาเลยเขาเลยนะของบ้านเรามีจต่จะจัดทิ้ง <laughs> เรื่องภาวนาเรื่องศีลเรื่องธรรมอะไเขาจะเอาทิ้งหมดแหละตอนเนี้ยแท มันบ้านเรามันมันมีหลายระบบระบบที่จะทำลายศาสนาก็มีบ้านเราดูดูดูไปเหยื่อโยมอ้ยต่อไปอันตรายมากพูดมากกูไม่ดี <c oughs> รู้กันเองพูดมากมึงพูดมากมึนพูดมากยิงทิ้งเลยอะ <c oughs> ไรเฝ้าพระเจา้าอะไเฝ้าพระเจา้าของเรานี่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 คนไม่พัฒนาแล้วคนไทยคนยิงเขาบ้านนอกเนียอะไรเหมือนกันจะมากเกิดมาห้าสิบปีหรือเรื่องไห้าสิบสองหรือเรือง ล, ลองดูบ้านนอกกินอะไรมันก็ทิ้งคุณนั่งกิ้งแม่ตัวนี้หรือบอ้าข้อสียกูไม่เจ็บกูว่างไม่ตรงนี้แหละอดูดบริเวณเราก็ดีดดิ้งหมดทิ้งหมดเลยไม่คือพื้นฐานอย่างนี้ยังไม่ได้คุณจะไปพัฒนาอะไร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 เล้กกี่ทุ่มเดแต่มันกืสองทุ่มแล้วเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวยังไม่เปลี่ยนเลยยังไม่ได้พูดเลยออกนอกเรื่องหลวงพ่อจะด่าด้ยอัดเทปไปด้วยสรุปไปสรุปมาทำไมเรื่องการการทำความรู้สึกตัวนะอาตมาเนี่ยก็ไปกับหลวงพ่อกลมก็ว่าเอ้าเอามือเอามือไปไว้ข้างหลังคนวากินนะกัม แบ้าห okay. okay. okay. like uh, mm ัวบ่อหัวนะเออเห็นบ่บ่เอาคือหัวก็แก่พูดอย่างนี้นะคำแบ้ายันหัวเราก็ยังไม่รู้อันยันหัวเราเราก็พอรู้อยู่แล้วกัยันหูวนี่แหละตัวรู้ซึกกับท่านว่าตัวรู้ซึกซกับมาพาทำพาปฏิบัติก็เริ่มทํา ม, มา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 อย่างน้อยไม่ได้สติก็ได้หุ่นดีก็กลับไปสร้างมันคนหุ่นดีงั้นก็ได้ไม่ได้สติก็ได้หุ่นกลับไปรถรถสองสามกิโลกลับไปสองวันเพิ่มขึ้นไปห้าโลแค่ ม, มันเดินจมกรมอย่างนี้อจิตน่ะมันหิวมันหิวไหมมึงออกไปนี่เรามึงเสร็จกูหมดล้วอยู่ในโปรเจ็กกูหมดชิดชิดชิดชิ ด, ชดนะ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 มั่งกับคิดไ ง, ง, ง, งก็ว่ารู้สึกว่าโลดหลบเบาๆล่องลอกูก็ไม่ล่องกับเขาเลยเจ็วันลื่นๆซึ่งยิ่งคุณปฏิบัตินะคุณกเพราะีบกระตุกออกจากภมิ่วงคุณอย่าไปนั่งแช่ถ้ามันม่วงมาคุณรู้จากมันม่วงมันม่วงมาทางไหนก่อนมาทางตาตาเป็นยังไงมันเบอ่ๆอๆหรอกดึงหนังตาเรา ล, ลงนะดึงหนังตาลงเราจะไปให้อาหารจะไปไป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 ยาก็สวดดังเราสวดมนเนียโยโซปะกวาลังสมาพระผู้มีเพราะว่าเราได้ยินบ้างเนี่ยจิตตัวนี้มันก็จ ะ, จะมันจะคุ้คนกับคําที่เราสวดและจิตมันจะชื่นขึ้นมาพระผูม้มีพระพากย์เจ้าเป็นพระอรหันต์ด า, าดบเพลิงกิเลสพอได้ยินแะเนี่ยพอมีคนเราก็เบื้องสติครับมีสติตอนนี้คือจิตมันจะมีตัวเพึ่งตัวนี้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 มันอะไรนั่นดูน้อยๆแล้มานลุกอะไรแต่ผมาม่ได้ดูทีวีแล้วนะเขาเปิดให้ดูเขาเปิดอโยมดิดนี่ละอะไรอะไรเอาบางๆมาดูตะนี้ดูข่าวดูอะไรก็ดูไปเราก็ไปเล่นกับเขาเมื่อกี้นะโอ้ยเขาโยมโยมแต่มันมันยากนะที่จะออกจากเรื่องรูปเสียงกินรถควมพอใจในเรื่องละครเราก็เข้าไปเล่นกับเขาแต่เราไม่ดูเฉยๆนะเราเขาไปเล่นกับดูยังไงเราดูแลเราก็ดูกลับมาดูใจ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 พรทางบ้านเราตรงนั้นนี่ครอบครัวม so ouais. so ันก well, so ็ล้มเดี๋ยวแล้วมาโรงเรียนก็ล้มเดียวอีกครูมาเลแต่มึงบางทีก็เปิดนนักเรียนรายการอะไรรายการอ่ะไรของนายหลวงนะอบางการรายการอะไรนั่นแหละครับทําไปครูก็ทำแค่ทำแต่ขั้น C ส่งเอาเงินเดือนมึงไปไปมาดูก็จะเบื่อไปเอาเด็กมาอบรมมช่างนมัน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 ทำทอ้อแบบให้มันแข็งแรงไงของเราทุกวันนี้กลัวลูกจะลําบากทําอะไรไม่ได้ของเขาฝึกก็ฝึกเมีวิธีฝึกบ้านเราไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีหลักการไม่มีหลักสูตรอะไรหลักสูตรว่าไม่ต้องแม่ทํำเองยายทําเองลูกไม่ต้องหลานไม่ต้องกลัวนะลูกลําบากฆ่าลูกทั้งเป็นฆ่าลูกแบบนั้นเขาว่านะั่นนะเขาเรียกว่าอะไรนะฆ่าอะไรนะ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 นอกจากความทิศความทุกข์พวกนี้ไม่ได้ก็เลยมัไม่มีทางก็เลยเอาตรงนี้เมาเครียดจนยิ่งเล่าเขมยเห็นไหมอันนี้แค่นั้นอนั้นโยมได้มาทําก็ถือว่าเขาบังคับมาเขาให้มาก็ถือว่าบุญแล้วล่ะถ้าเขาไม่บังคับมาจ้างกูก็ก็ได้มาด้วยนะจ้างวันละร้อยวละสามร้อยกูก็ไม่มาที่ห้ามันเป็นงานอย่างเนี้ย